พลังลูกศิษย์หลวงตาเราลูกศิษย์ของหลวงตาไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลองค์หลวงตาเพียงใดทุกคนจะยึดมั่นองค์ท่านเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับองค์ท่านหรือเกี่ยวเนื่องกับองค์ท่านทุกคนจะส่งข่าวสื่อสารถึงกันหมดในเวลาอันรวดเร็วและพร้อมที่จะปฏิบัติการในทันทีไม่หวั่นต่อความยากลาบากหรืออุปสรรคใดๆ ทุกคนพร้อมจะเอาชีวิตเข้าแลกไม่กลัวตายพวกเขาผลักจากงานการในชีวิตประจําวันมารวมตัวกันเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้างตามกาลังรวมพลังกันดุดเดียวกับสายน้ำหลากปฏิบัติการที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องความเป็นธรรมในกรณีของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชการยื่นหนังสือประท้วงเพื่อทวงถามคาตอบในเรื่องต่างๆ ต, ต่อนายกรัฐมนตรี การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมโครงการช่วยชาติซึ่งเป็นการระดมทองคำและเงินเข้าคลังหลวงตลอดจนการขัดขวางการรวมบัญชีและการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราซึ่งเกี่ยวโยงถึงทองคำและเงินในคลังหลวงที่หลวงตาได้สละองค์ท่านทุ่มเทนในการระดมให้แก่ประเทศชาติของเราคณะสิทธิ์หญิงชายของหลวงตาทุกคนดูมีอารมณ์อิ่มบุญหน้าตายิ้มยามแจ่มใส ผ่องใสสดชื่นเวลาปฏิบัติงานถวายหลวงตาทุกคนก็จะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำงานกันอย่างเต็มที่ตามความถนัดของตนอาทิเช่นผู้ที่ชำานาญทางด้านอาหารทั้งชายและหญิงก็จะรวมตัวกันตั้งโรงทานในนามของคณะสิทธิหลวงตาแยากย้ายกันไปตามงานบุญตามสถานที่ต่างๆมีบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งรวมไปถึงขนมครบปลาท่องโกน้าเต้าหู้กาแฟ ตามแต่จะถนัดทุกคนต่างร่วมใจกันทำเพื่อถวายเป็นมหากุศลร่วมบุญกับหลวงตาส่วนผู้ที่ถนัดทางด้านหนังสือก็จะประสานงานขอข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อทําบทความพิมพ์ออกเป็นแผ่นพับแผ่นปลิวแจกจ่ายให้ความรู้และความจริงแก่ประชาชนบุคคลเหล่านี้ทางานถวายหลวงตาโดยไม่มีผู้นาสั่งการต่างก็ทาด้วยจิตสานึกและความสุจริตใจ ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะต้องทำรงไว้ซึ่งความถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งจะต้องมีในทุกกิจการของบ้านเมืองจึงต่างออกมาเรียกร้องเพื่อพดุงความเป็นธรรมให้คงอยู่ในจิตสํานึกของทุกคนการขัดขวางการช่อฉนโดยคนของรัฐที่จะนําเงินและทองคําในคลังหลวงออกมาใช้ก็ด้วยความรู้สึกห่วงแหนทรัพย์สินที่เป็นของชาติที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของพวกเขา และมอบให้ชาติด้วยถวายหลวงตาเข้าสู่คลังหลวงเก็บเป็นทุนสำรองค้ำจุนประเทศ